ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับมีโทษหาประการนี้โทษหาประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. ฝันลามก 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับ มีโทษหประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอนิสงส์หประการนี้อานิสงส์ห้าประกา ร, อ, า ร, ะการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันลามก 4. เทวดารักษาหน้ำอสุจิไม่เคลื่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้แลมุทัสสติสูตรที่10บจบกิมพิละวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กิมพิละสูตร 2. ธรรมสวรณสูตร 3. อัส า, อ า, าชานิยสูตร 4. พละสูตร 5. เจโตขิละสูตร หวินิพันธสูตร 7. ยาคุสูตร 8. ทันตะกัสูตร 9. คีตสระสูตร 10. มุทธธัสติสูตร 2. 2> องอ ก, กสกะวัก หมวดว่าด้วยโทษของการดา่าหนึ่งอโกสกะสูตรว่าด้วยโทษของการดา่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริภาษเพื่อนพรมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งต้องอาบัติปารชิกหรือตัดธรรมเป็นเครื่องปิดกัน้น 2. ต้องอาบัตเศร้าหมองกองใดกองหนึ่ง 3. เป็นโรคร้ายแรง 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. ห, หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริภาพเพิ่มโพรมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษห้าประการนี้แลอกโกสกสูตรที่หนึ่งจบ พันธนาการะกะสูตรว่าด้วยโทษแห่งการทำความบาทมางภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำความบาตมางทะเละวิวาดทำความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงพึงหวังได้โทษหประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. กิติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. ห, หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำความบาดมมางทะเลวิวาททำความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์พึงหวังได้โทษ5ประการนี้แลพันธน า, ารกะสูตรที่สองจบ สลสูตรว่าด้วยศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติมีโทษหประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1ของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 2. กิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองของบุคลลลบบคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพรามณ์บริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไป นี้เป็นโทษประการที่3ของบุคลบบคลผู้ทุศีนเพราะศีลวิบัติ 4. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4ของบุคลบบคลผู้ทุศีนเพราะศีลวิบัติ 5. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก นี้เป็นโทษประการที่หของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติมีโทษหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลมีอนิสงห้าประการนี้อนิสงห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมมีโพกษะเป็นอันมาก ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงสประการที่1ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอณิสงสารที่สองของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตาม พ ร, รามหมณ์บริษัทก็ตามขหาพดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมกแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล4บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลห บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่หของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลมีอนิสงส์5ประการนี้แลศีลสูตรที่สจบ ะหุพาณิสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พูดมากภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดมากมีโทษ5ประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อหหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พูดมากมีโทษ5ประการนี้แหลภิิษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดด้วยมันตามีอนิสงฆ์5ประการนี้อนิสงฆ์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดส่อเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อห้ 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พูดด้วยมันตามีอเนสง์ห้าประการนี้แหลพหุภาณิสูตรที่ส<ก>ี่จบ 5. พระถมมะอขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย ความไม่อดทนมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้มากด้วยเวร 3. เป็นผู้มากด้วยโทษ 4. เป็นผู้หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลาย ความไม่อดทนมีโทษห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอนิสง์ห้าประการนี้อนิสง์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร 3. เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ 4. เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอนิสง์ห้าประการ น, นี้แหละบทมะอักขันติสูตรที่หจบ 6. ทุติยะอักขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่สอง ภิกษุทั้งหลายความไม่อดทนมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ดุร้าย 3. เป็นผู้มีวิปติสาร 4. เป็นผู้หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกภิกษุทั้งหลาย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 บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสสูตรที่หนึ่งุททั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ 3. กิติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าลื่อมใสมีโทษหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าลื่อมใสมีอนิสงฆ์หประการนี้อานิสงฆ์หประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเดเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร้ครูแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิติศัพท์อันงามย่อมขอจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. ห, หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอนิสง์ห้าประการนี้แลพระธมมอาปาสาธิกสูตรที่7จบ ทุติยอปาสาธิกสูรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. คนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส 2. คนที่เลื่อมใสแล้วย่อมกลายเป็นอื่น 3. ไม่ปฏิบัติตนตามคำสอนของาศาสดา สหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างหจิตของเธอย่อมไม่เลื่อมใสภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษหประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้อนิสงฆ์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งคนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส 2. คนที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้น 3. ปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสดา 4. หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่าง 5. จิตของเธอย่อมเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอานิสงส์ห้าประการ น, นี้แลทุติยะอปาสาธิกสูที่8จบ สูตว่าด้วยโทษของไฟภิกษุทั้งหลายไฟมีโทษห้าประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ทําทำให้ตาฝ้าฟาง 2. ทํทำให้ผิวหยาบกร้าน 3. ทํทำให้อ่อนกำลัง 4. เพิ่มพูนการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นเหตุให้สนทนาติรชา น, นกขาภิกษุทั้งหลาย ไฟมีโทษห้าประการนี้แลอคิสูตรที่เก้าจบส0มัุราสูตรว่าด้วยนครมัุราภิกษุทั้งหลายนครมัุรามีโทษห้าประการนี้ โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. มีพื้นดินไม่ราบเรียบ 2. มีฝุ่นละอองมาก 3. มีสุนัขดุ 4. มียากร้าย 5. หาอาหารได้ยากภิกษุทั้งหลายนครมัทุรามีโทษห้าประการนี้แหลมัทุราสูตรที่10จบอกโกสกะวัคที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นอโกสกสูตร 2. พันธะการกะสูตร 3. ศีละสูตร 4. พระหุพาณิสูตร 5. ปาพธมมะอักคันติสูตร 6. ทุติยะอัคันติสูตร 7. พระธมมะอาปาสาธิกะสูตร 8. ทุติยะอาปาสาธิกะสูตร 9. าอคิสูตร 10. มัทุราสูตร 3. ทีฆาจาริกวัคหมวดว่าด้วยการจจริกไปนานาน 1. ่งปฐมทีฆาจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกไปนานสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจาริกไปไม่มีกําหนดมีโทษหประการโทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ไม่กล้ากล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว 4. เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้ไม่มีมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จะริกไปนานจะริกไปไม่มีกำหนดมีโทษหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายการจะริกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสงฆ์หประการนี้อนิสงห์หประการอะไรบ้างคือหได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. อเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. กล้าวกล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว 4. ไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้มีมิตรภิกษุทั้งหลายการจารึกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้แลปฐมมะทีฆาจาริกกสูที่หนึ่งจบ ทุติยะทีฆะจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกไปนานสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจารฤกไปไม่มีกำหนดมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. ไม่กล้ากล้าในธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 4. เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้ไม่มีมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจารึกไปไม่มีกำหนดมีโทษหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายการจารึกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสงห์5ประการนี้อนิสงห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. ไม่เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. แกล้ากล้าในธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 4. ไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้มีมิตรภิกษุทั้งหลายการจารึกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสง์ห้าประการนี้แหละทุติยะทีฆะจาริกกสูตรที่สองจบ 3. อตินิวาสสูตรว่าด้วยการอยู่ประจำที่นานภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจำที่นานมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. มีสิ่งของมากสะสมสิ่งของมาก 2. มีเพศสัตว์มากสะสมเพศสัตว์มาก 3. มมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำมาก ยึดติดในการงานที่จะพึงทำสี่อยู่คลุกคลีกับครรหัดและบันปะชิตด้วยการคลุกคลีอย่างครรหัดอันไม่สมควร 5. เมื่อจากอาวาสนั้นไปก็จากไปทั้งที่ยังมีความห่วงใหญ่ภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจําที่นานมีโทษหประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกําหนดพอดีมีอนิสงห้าประการนี้ อนิสงฆ์หประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีสิ่งของมากไม่สะสมสิ่งของมาก 2. ไม่มีเภสัชมากไม่สะสมเภสัชมาก 3. ไม่มีกิจมากไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำมากไม่ยึดติดในการงานที่จะพึงทำาี 4. ไม่อยู่คลุกคลีกับครหัตและบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างครหัตอันไม่สมควรห เมื่อจากอาวาสนั้นไปก็จากไปโดยไม่มีความห่วงใหญ่ภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอนิสง์ห้าประการ น, นี้แหลอตินิวาสสูตรที่สมจบ มัชรีสูตรว่าด้วยความตรณีภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจําที่นานมีโทษหประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ตรณีอาวาส 2. เป็นผู้ตรณีตระกูล 3. เป็นผู้ตรณีลาบ 4. เป็นผู้ตรณีวันณนะ 5. เป็นผู้ตรณีธรรมภิกษุทั้งหลาย การอยู่ประจำที่นานมีโทษห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอนิสงห้าประการนี้อนิสงห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มิตรณนีอาวาส 2. เป็นผู้มิตรณีตระกูล 3. เป็นผู้มีตรณนีลาบ 4. เป็นผู้มีตรณนีวันนะ 5. เป็นผู้มีตรณนีธรรม ภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอนิสง์ห้าประการนี้แหลมัชรีสูตรที่สจบ 5. ปทมมากุลุ ป, ปะกะสูตรว่าด้วยภิกษุ ผู้เข้าไปสู่ตระกูลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปไม่บอกลา 2. ต้องอาบัตเพราะนั่งในที่ลับ 3. ต้องอาบัตเพราะนั่งบนอาสนะที่กำบัง 4. ต้องอาบัตเพราะแสดงทาแกมาตุคามเกินกว่า5ถึงคำ ห้าเป็นผู้มากไปด้วยความดำรินนกามอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษห้าประการนี้แลปฐมมะกุลุ ป, ปะกะสูที่ห้าจบ ติยะกุลุ ป, ปะกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลามีโทษหประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ทําให้เห็นมาตุคามเป็นประจำสอเมื่อมีการเห็นย่อมมีการคลรุกคลี 3. เมื่อมีการคลุกคลีย่อมมีความคุ้นเคย4เมื่อมีความคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจอ่อ5เมื่อมีจิตจดจอ่อพึงหวังได้ว่าเธอจะไม่ยินดีประพฤทธพรมจรรยจกต้องอาบัตเศร้าหมองกองใดรองหนึ่งหรือจกบอกคืนศีรขากลับมาเป็นคราหักภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลา มีโทษห้าประการนี้แลทุติยะกุลุ ป, ปะกะสูตรที่หกจบเจ็ดโภคสูตรว่าด้วยโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีโทษห้าประการนี้ โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่ไฟ 2. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่น้ำ 3. าโภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่พระราชา 3. 4. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่โจร 5. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีโทษห้าประการนี้แล ภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีอนิสง์ห้าประการนี้อานิสง์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงตนบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 2. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงบิดามารดาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 3. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงบุตรพันยาทาตกรรมกรและคนใช้ บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 4. บุคคลอาศัยโภกษัพ์จึงบำรุงมิตรอมารตบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 5. บุคคลอาศัยโพกษัพจึงบำเพ็ญทักษินาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายโภกษัพ์มีอนิสง์ห้าประการนี้แลโพกษัพที่7็ด 8. อุสูระพัตสูตรว่าด้วยพัดหุงต้มในเวลาสายภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัดที่หุงต้มในเวลาสายมีโทษห้าประการนี้ โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลา 2. ไม่ได้เส้นไหวทเทวดาผู้รับพรีกรรมตามเวลา 3. ไม่ได้ถวายสมณพราหมณ์ผู้ฉันมือเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนงดเว้นการฉันในเวลาวิการตามเวลา 4. ทาสกรรมกรและคนใช้ลบหน้าทำการงาน 5. อาหารที่บริโภคในเวลาไม่ควรเช่นนั้นไม่มีโอชาภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัทที่หุงต้มในเวลาสายมีโทษห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัทที่หุงต้ม ต, มตามเวลามีอนิสง์ห้าประการนี้อนิสงฆ์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลา 2. ได้เส้นไหยเทวดาผู้รับพลีกรรมตามเวลา 3. ได้ถวายสมณพราหมณ์ผู้ฉันมือเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนงดเว้นการฉันในเวลาวิการตามเวลา 4. ีธาตุ ก, กรรมกรและคนใช้ไม่หลบหน้าทำการงาน 5. อาหารที่บริโภคในเวลาที่ควรเช่นนั้นมีโอชาภิกษุทั้งหลายตระปูนมีพัดที่หุงต้มตามเวลา มีอนิสง์ห้าประการนี้แลอุสุรพัตสูตรที่8ดจบเก้าปฐมกันหาสัพพสูตรว่าด้วยงูเห่าสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย งูเห่ามีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นสัตว์ไม่สะอาดสองเป็นสัตว์มีกลิ่นเหม็นสเป็นสัตว์น่ากลัวสเป็นสัตว์มีไผ่หเป็นสัตว์มักทําร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกัน มาตุคามมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่สะอาด 2. เป็นผู้มีกลิ่นเหม็น 3. เป็นผู้น่ากลัวมาก 4. เป็นผู้มีภัย 5. เป็นผู้มักทาร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายมาตุคามมีโทษห้าประการนี้แลปฐมมากันหา ส, สัพปสูที่9จบ ทุติยะการหาสปปรรพสูตรว่าด้วยงูเห่าสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นสัตว์มักโกรธ 2. เป็นสัตว์มักผูกโกรธ 3. เป็นสัตว์มีพิษร้าย 4. เป็นสัตว์มีลิ้นสองแฉก 5. เป็นสัตว์มักทําร้ายมิตรภิกษุทั้งหลาย งูเห่ามีโทษห้าประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันมาตุคามีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มักโกรธ 2. เป็นผู้มักผูกโกรธ 3. เป็นผู้มีพิษร้ายสเป็นผู้มีลิ้นสองแฉก 5. เป็นผู้มักทาร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายบรรดาโทษห้าประการนั้น การที่มาตุคามีผิดร้ายหมายถึงส่วนมากมาตุคามีราคะจัดการที่มาตุคามีลิ้นสองแฉกหมายถึงส่วนมากมาตุคา ม, มักพูดส่อเสียดการที่มาตุคามมักทําร้ายมิตรหมายถึงส่วนมากมาตุคามมักนอกใจภิกษุทั้งหลายมาตุคามีโทษห้าประการ น, นี้แลทุติยะกันหา ส, สัพปสูที่สิบจบ ทีฆาจาริกวรคที่สจบรวมพระสูตรที่มิเนวัคนี้คือ 1. ปฐมมทีฆาจาริกสูตรสอทุติยะทีฆาจาริกสูตรสาอตินิวาสสูตร 4. มัฉรีสูตร 5. ปฐมมกุลุปกะสูตร 6. ทุติยะกุลุปกะสูตร 7. โพคสูตร 8. อุสุรพัตสูตเก้าปฐมกันหาสัพปพปสูตสิบทุติยะกันหาสัพพสูตสีอ่อาวาสิกกวักหมวดว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส 1. อาวาสิกสูตรว่าด้วยธรรมของเจ้าอาวาสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ไม่ควรยกย่องธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาสหนึ่งเป็นผู้ไม่เพียรพร้อมด้วยมารยาทไม่เพียรพร้อมด้วยวัด 2. ไม่เป็นหูสหูตสไม่ทรงสุตตะ 3. เป็นผู้ไม่ประพฤติขัดเกล่าไม่ยินดีการหลีกเร้น 4. เป็นผู้ไม่ยินดีในกัลยาณธรรมไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเระาะ 5. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลเป็นผู้ไม่ควรยกย่องภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้ประการเป็นผู้ควรยกย่องธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาส 1. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมารยาทเพียบพร้อมด้วยวัด 2. เป็นพระหูสูตรทรงสุตะ 3. เป็นผู้ประพฤติขัดเกล่ายินดีในการหลิกเร้น 4. เป็นผู้ยินดีในขลยานธรรม มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะห้ามีปัญญาไม่โง่เคลาไม่เป็นคนเซอะพุทธสทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลเป็นผู้ควรยกย่องอาวาสิกสูตรที่หนึ่งจบ ปิยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพระมารีทั้งหลายธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาสหนึ่งเป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในปาติโมก เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม่เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุดตะสังสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้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 ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปิยสูตรที่สองจบ สโสภณสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาดงดงามภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาดประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมทําอาวาดให้งดงามธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาดหนึ่งเป็นผู้มีศีลสํารวมละถึงศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึง แทงตลอดดีด้วยทิฐิ 3. เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4. เป็นผู้สามารถชี้แจงบุคคลผู้เข้าไปหาให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหาแกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาห